หัวข้อสิ่งที่ต้องรู้ให้ได้ก่อนตายตั้งแต่วันที่คิดเรื่องเกิดมาทำไมอย่างจริงจังใจฉันก็พลอยกลัวตายไปพร้อมกับความไม่รู้หลงตายเท่ากับที่หลงเกิดกลัวว่าจะต้องเป็นเด็กวัยห้าขวบสิบขวบ20สิบปีห0สปีหรือร้อยปีอีกและอีกครั้งแล้วครั้งเล่าพกพาเอาความไม่รู้ไปเกิดใหม่ ตายใหม่อย่างไรที่สิ้นสุดคนทั่วไปกลัวตายเพราะเกรงจะไม่มีตัวตนที่หวงแหนแต่บัด น, นี้ฉันกลัวตายเพราะเกรงจะเสียโอกาสเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองฉันเกิดความอยากรู้ขึ้นมาจริงจงจั ง, จงๆว่าชีวิตนี้ควรใช้ให้คุ้มที่สุดด้วยการเรียนรู้อะไรแน่ละที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ไม่สามารถสอดตาเห็นได้หมดว่ามีความรู้อะไรให้เลือกบ้างแต่ละคนอาจมีสิ่งที่ทำให้คิดไปเองว่าดีที่สุดวางไว้ตรงหน้าอยู่แล้วอาจจะตั้งแต่เกิดหรืออาจจะเข้ามาพอดีจังหวะในขณะสแสวงหาสำหรับคนไทยที่เกิดมาอย่างไม่รู้อินโนอินเอทั่วไปพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะเป็นคำตอบแรก หรือไม่ก็เป็นคำตอบสุดท้ายเพราะความเป็นพุทธศาสนานั้นยิ่งใหญ่และอยู่ในความยอมรับมาช้านานเห็นได้จากจำนวนวัดกว่าสาม0 0ื่นแห่งทั่วประเทศรวมทั้งการมีวันหยุดราชการเป็นวันสำคัญทางศาสนาปีละไม่น้อยแถมคำพูดกับความนึกคิดของชาวไทยก็มีสับทางพุทธเจออยู่มากเช่นอุทานว่าอานิจจา หรือพุทโธส่วนตอนแสดงความขอบคุณคนให้ความการุณาโดยเปรียบว่าเหมือนพระมาโปรดแม้แต่นำคำสูงมาใช้ในเชิงลบเช่นใครจะไปตัดสู้ละ่ะก็ยังเอาดังนั้นสำนึกความเป็นพุทธจึงแทรกซึมอยู่ในใจคนไทยมาแต่อ้อนแต่ออกโดยไม่จำเป็นต้องรู้ตัวเมื่อชีวิตเกิดปัญหา หรือใจมีคำถามโลกแตกแก้ไม่ตกก็ย่อมต้องเล็งไปที่คำตอบของพุทธศาสนาก่อนเพื่อนเป็นธรรมดาเช่นถ้าเคราะห์ร้ายก็มักนึกถึงการทำสังฆทานอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นฉันเฝ้าแต่เก็บงำความสนใจและสงสัยใครรู้คำตอบว่าชีวิตเราควรรู้อะไรมากที่สุดไว้ในใจมาดหมายว่า คุณพ่อน้องออสจะเป็นผู้ให้คำตอบได้ในวันหนึ่งและสิ่งที่แกตอบลูกนั้นแสดงวิสัยของผู้มีความรู้เชิงพุทธอย่างลึกซึ้งในตัวเองแล้วโอกาสก็มาถึงในงานวันเผาคุณตาน้องออสบรรยากาศในวัดทำให้ฉันไม่รู้สึกกระดากนักกับการกระแสะเข้าไปถามด้วยเกินตามตรงว่า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 มนุษย์ทุกคนไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองครับฉันขมวดคิ้วย่นนึกเงียบๆว่าคำตอบของแกมีพลังทำให้ย้อนเข้ามารู้สึกในตัวเองดีอย่างน้อยฉันก็ถามตัวเองขึ้นมาสองสามข้อในฉับพลันว่ามีความจริงใดเกี่ยวกับตัวเองที่ยังไม่รู้บ้างก็พบว่ามีอยู่มากเหมือนกันยกตัวอย่างเช่น กลไกการทํางานในร่างกายมนุษย์อันสลับซับซ้อนที่แม้แต่แพทย์ยุคปัจจุบันก็รู้ไม่ทั่วถึงหรืออย่างเช่นวันตายจะมาถึงเมื่อไหร่เหล่านี้เป็นตัวอย่างความจริงเกี่ยวกับตนเองที่กําลังปรากฏอยู่หรือกําลังจะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทว่าไม่อยู่ในสํานึกรับรู้ของฉันแม้แต่น้อยฉันถามว่า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 ครูทางธรรมะคนแรกของฉันก็ตอบว่าไม่พอหรอกครับรู้แค่เนี้ยเรียกว่าเป็นปัญญาจากการฟังและปัญญาจากการจินตนาการตามยังเป็นปัญญาในระดับคิดๆไม่ใช่ปัญญาเห็นจริงประจักษ์แจ้งด้วยจิตเอ่เมื่อกี้ใจก็วาบว่างไปทีหนึ่งยังไม่เรียกว่าเห็นด้วยจิตอีกหรอฉันจึงถามว่าทำอย่างไรจะรู้แจ้งได้ด้วยจิต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 ก็มีขณะของการเกิดขึ้นเมื่อได้คำตอบก็จะดับลงเช่นกันหรือถ้ายังสงสัยอยู่มีความคาใจอยู่ก็ต้องแปรปรวนไปอาจอ่อนตัวลงหรือเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมพอเห็นความไม่เที่ยงในกายใจเสมอๆจิตก็ยึดเลิกมั่นสำคัญผิดเลิกมองว่าสิ่งนั้นๆเที่ยงเลิกหลงเขา ว, ว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนพอเห็นอย่างต่อเนื่องมากเข้า จิตก็ขาดจากอุปาทานที่ครอบงำมาแต่อ้อนแต่ออกเรียกว่าบรรลุมรรคผลมีดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยบุคคลของพุทธศาสนาฉันฟังแล้วยังรู้สึกคลุมเครือเพราะยังเป็นเรื่องใหม่อยู่มากแต่ก็รู้สึกด้วยว่าคุณพ่อน้องออด ต, ต้องเข้าใจชัดแจ้งในสิ่งที่พูดเป็นอย่างยิ่งฉันจึงยิงคำถามถัดมาคือจะทราบได้อย่างไร ว่าเรารู้สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้แล้วหรือยังวาระนั้นอะไรจะเป็นตัวบอกเราไปถึงแก่นของพระศาสนาแล้วคุณพ่อลูกหนึ่งอึ้งไปพักใหญ่คล้ายทบทวนเฟ้นหาข้อมูลในธนาคารความจำก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่สุขขุมนุ่มนวลพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครเข้าป่าหาแก่นไม้แต่ไปเจอกิ่งใบเจอสะเก็ด เจอเปลือกเจอกระพี้ก็อาจสําคัญว่าเป็นแก่นเพราะไม่ทำความรู้จักแก่นให้ดีเสียก่อนเลยได้สิ่งที่ไม่ใช่แก่นติดมือกลับบ้านลาบและสันระเสริญเปรียบเหมือนกิ่งใบสีลเปรียบเหมือนสะเก็ดสมาธิเหมือนเปลือกยานอย่างรู้ต่างๆเปรียบเหมือนกระพี้แต่แก่นสารที่แท้จริงคือความหลุดพ้นแห่งใจ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 ฉันแจ้งความจำนงขอเป็นลูกศิษย์ขอเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐานสี่กับผู้ให้แสงสว่างแรกซึ่งท่านก็ตกปากรับคำเป็นอย่างดีบอกว่าบ้านใกล้กันแค่นี้สะดวกไปนั่งคุยกับท่านทุกวันก็ได้พร้อมกับออกตัวว่าท่านยังเป็นผู้ครองเรือนยังมีห่วงผูกรัดแม้แต่ลูกเมียก็ยังตัดไม่ได้ไม่ใช่ผู้รู้แจ้งอันมีใจหลุดพ้นแล้ว แต่เมื่อสอนพื้นฐานเบื้องต้นให้ชั้นระยะหนึ่งก็จะพาไปกราบพระอาจารย์ของท่านในภายหลังนัดแนะจะเริ่มไปบ้านท่านตั้งแต่เย็นวันต่อมาฉั้นอิ่มอกอิ่มใจเหลือกาลังถึงจะยังไม่มีคำตอบหรือหนทางแจ่มแจ้งแต่อย่างน้อยก็อุ่นใจว่าเจอครูผู้ชี้ทางเป็นความสว่างนำวิถีให้แน่แล้วที่เหลือคือไปศึกษาเล่าเรียนกับท่านเต็มกาลัง ฉันโชคดีเหนือความโชคดีมีผู้ให้คำตอบสำคัญที่สุดในชีวิตไม่พอยังมาประชิดติดบ้านกันอย่างนี้อีกข่าวดีข่าวมงคลเพิ่งปรากฏข่าวร้ายข่าวสุดอัปมงคลก็กวดติดไล่หลังตามมาเพียงชั่วข้ามคืนชีวิตคนไม่แน่นอนแค่เดินทางไปงานศพตัวเองก็มีสิทธิ์ตายได้ครูธรรมะของฉัน ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงเสียชีวิตทั้งครอบครัวระหว่างทางกลับบ้านท่านเป็นครูธรรมะที่สอนฉันหลายอย่างในคราวเดียวทั้งความจริงผ่านปากทั้งความจริงผ่านความตายฉันพูดไม่ออกเป็นคนเดียวในบ้านที่ตกตะลึงน่าสีดเหมือนเสียญาติสุดที่รักต่างจากคนอื่นอย่างมากซึ่งแค่คุยกันแซดด้วยความตกอกตกใจ กับการจากไปของเพื่อนบ้านที่คุณหน้ามาหลายปีอกใจฉันจุกแน่นไปหมดเหมือนคนหิวจัดที่เห็นอาหารวางล่อโชยกลิ่นหอมยวนใจอยู่ใกล้ๆแล้วแต่มัวชะล่าไปครึ่งนาทีก็มีใครมาตัดหน้าเอาไปซะก่อนเสียดายสายเกินไปพบหน้าผู้รู้แล้วทำไมฉันถึงไม่รีบถามให้ละเอียดเหตุใดจึงยังเชื่อว่า ยังมีพรุ่งนี้ให้ถามทั้งที่ความจริงคือจะไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้วความตายของครูทําให้ความกระหายใคร่รู้ของฉันถูกเร่งเร้าให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นเหมือนครูของฉันสอนตรงๆว่าชีวิตเป็นสิ่งไม่ควรประมาทจะตายเมื่อใดไม่อาจพยากรณ์มัจจุราชมักมาถึงโดยไม่บอกเหล่าล่วงหน้า ถ้าวันนี้ยังมีกำลังก็ควรทำกิจที่คิดว่าควรทำที่สุดทำแล้วคุ้มกับการเกิดมาที่สุดเพื่อจะไม่เสียใจในภายหลังว่าวันสุดท้ายมาถึงแล้วยังไม่ใช้โอกาสทองให้สมค่า